แอบรักแฟนเพื่อนบทความโดยดังตรินจัดทำโดยครอบครัวโถวสกุลกำลังรู้สึกแย่มากๆครับแอบรักแฟนเพื่อนสาบานได้ว่าตอนเจอกันไม่คิดอะไรเลยไม่เคยคิดถึงไม่เคยรู้สึกผูกพันแต่อยู่ดีๆก็ฝันถึงขึ้นมาเฉยเฉยฝันทั้งคืนกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วหลับใหม่ก็ฝันต่อ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 คำถามคือผมต้องกลายมาเป็นคนคิดไม่ซื่อกับเพื่อนเพียงเพราะฝันแค่คืนเดียวอย่างนี้มันแปลว่ามีกรรมเก่ามากระตุ้นหรือบังคับให้ต้องทำผิดหรือเปล่าครับและที่สงสัยมากมากคือถ้าเธอเลิกกับแฟนแล้วมาหาผมจริงๆ จ, จะมีใครผิดศีลข้อการเมสุมิฉาจานไหมอยากนองถามเธอดูเหมือนกันว่าเธอฝันเหมือนผมหรือคล้ายกับผมบ้างไหมถ้าหากเธอตอบว่าฝันเหมือนกัน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 หรือปกปิดตัวเองจากความรู้สึกทำนองนี้ไว้แล้วมาเปิดเผยเอาโล่งโจ่งในความฝันในความฝันของคนเราเหลือแต่ความรู้สึกที่แท้จริงเป็นจิตดิบๆที่มีกำลังอ่อนไม่มีม่ามนมโนธรรมอันใดมาห้ามปรามภาพและเสียงทั้งหลายจึงล้วนเป็นสิ่งที่จิตแฉตัวเองหมดเปลือกที่คณรู้สึกเหมือนถูกร้อยรัดวาาหวามสุจรบรรยายอันนั้นล่ะ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 คุณกำลังอยู่ในเกมที่มีเหยื่อล่อมายุ่ให้ทำผิดเหยื่อล่อนั้นมาในรูปของความสุขอาบมนคลังล้ำลึกคุณถูกบีบให้รู้สึกเหมือนทนไม่ได้และอยากเข้าข้างตัวเองว่านี่คือคู่แท้ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติลองตรองในขณะตื่นเต็มตาสักห้า น, นาทีแล้วคุณจะตาสว่างว่าถ้าบุญที่ทำร่วมกับเขามาดีจริง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 ถ้าชายทั้งหลายปฏิบัติกับหญิงมีเจ้าของได้ดุดเดียวกับที่พวกเธอเป็นความฝันฝันผ่านไปก็ตระหนักว่าแค่ฝันผ่านไปไม่อะไรอววรกรรมข้อกาเมสุมิชาจารก็จะไม่ผุดเป็นดอกเห็ดอย่างทุกวันนี้แต่เพราะฝันนิดฝันหน่อยลักทึกทักว่าใช่ตื่นขึ้นมาจะเอาจริงเอาจังนั่นแหละไหยณะทางเพศถึงระบาดไปทั่วเมืองไงครับ